ทานศีลภาวนาก็พาให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดทานคำเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบให้เป็นแค่ใบกับกิ่งของต้นไม้ใบเนี่ยออกก่อน เก่ตามมาเกี่ยงกัารสาขาก็มีความสําคัญมีการให้ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์ความไริสุทธิก็เกิดกับทายกทายิกาผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ ตกอยู่กับปฏิกาหกผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์อันนี้สองก็ไม่ประมาณผู้รับมีศีลมีธรรมผู้ให้ก็มีศีลมีธรรมอันนี้นก็เป็นเลิศที่สุดละ กาักษาศีนสีนคือความเป็นปกติถ้ากายปกติวาจากรปกติจิตใจกระปกติมีศีนสีนคือปกติมีความรู้สึกตัวนี่แหละทำให้ปกติรู้สึกที่กายรู้สึกที่วาจารู้สึกที่จิตที่ใจรู้สึก เราลดลงเป็นสภาวะกลางๆถ้ามีภาวะของสติปัญญาดูก็จะได้เห็นเป็นแค่แคาการกิริยาอาการเกิดที่กายอาการกิดที่จิตมันก็ไม่ได้กับยึดอะไรเป็นตัญหาเป็นอุปท า, านต่างๆอั น, นี่สองทำให้ไม่ต้องเดือดร้อนทําไปแล้วแล้วไปไม่ต้องเดือดร้อน เอาวิปปติสานความเป็นปกติมันจะไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเป็นธรรมชาติคิดเป็นธรรมชาติพูดเป็นธรรมชาติทําก็เป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมะไม่ได้เจตนาอะไรทั้งนั้นนะไม่ได้เจตนามันก็ไม่ได้เป็นกรรม ธรรมดาธรรมชาติถ้อ้เกิดความอิ่มขึ้นมามันทำเป็นทำถูกอย่างยกมือสร้างยิอาร่วทำถูกก็อิ่มอิ่ม อ, อกอิ่มใจมั่นคงเกิดความรื่นโรมงได้ขณนะปฏิบัติการปฏิบททัติธรรมมันเป็นความตื่นตัว แปบ๊บก็หมดวันอีกแล้วมันเป็นลักษณะของความเป็นปกติที่มันพาเราสู่ความบริสุทธิ์เกิดความสุขขึ้นมาความสงบมันเป็นฌานมันเป็นญาณมันเป็นฌานกคือมันเป็นที่พักเป็นลักษณของความสุขระดับต่างๆ ในความรู้สึกตัวนเป็นด้วยนะเป็นทั้งที่พักจิตพักใจกลับมารู้สึกตัวประโ่กับความคิดเนี่มไม่ได้พักคิดจนสมองบวมตพงกลับมาจากการอบรมที่โรงพยาบาลกรยาราชนักลินมันก็เป็นโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายคนที่ทำอะไรไปโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว ค่ากันบ้างบุกลบบ้างแล้วก็อีกมากมายโตตอบผู้โ <c oughs> ตตอบในกระบวนการยุติธรรมไม่รู้เรื่องก็จะถูกจับมารักษาเป็นโรงพยาบาล น, นิติเวชจิตเวช เราเปลี่ยนเชื่อเป็นกายาลัทธิ์กัลินพระกามีนะได้ยนินได้ฟังมาพระมีอยู่ในนั้นด้วยก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามาบวชปฏิบัตบิแล้วมันจะทําให้เป็นโรคประสาทโรคจิตไม่ใช่ทําเป็นมาก่อนก่อนบวบกกชก็ไม่รู้ว่าอุปชาเะบวชได้ยังไงแต่ก็ด้วยความเมตตากขาบวชให้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีปฏิบัติธรรมเป็นคุกคนดี ทำเเดียวอยู่คุกคนชั่วต่อไปเสอนบุคลารกรนะที่เขาอยู่ในนั้นประมาณสักสี่สิบคนให้มีความรู้สึกตัวเป็นคนเคยฝึกแนวเคลื่อนไหวมาประมาณยี่สิบคนก็จบแบบเรียบร้อยบริบูรณ์สองวันก็สังเกตได้ถึงว่า ลักษณะของความบริสุทธิ์ของคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับบวชไม่บวชเกี่ยวกับการปฏิบัติหลายคนก็นิ่งๆเย็นๆยิ้มย้มแจ่มใสผ่องใสผ่อนคลายเราก็สัมผัสกันได้ตรงนี้ก็คือความเป็นปกติเวลารู้สึกตัวกับปกติมันก็มีความ หยิมใจมีความสงบมีความสุขทำอะไรไปก็ไม่ได้เดือดร้อนเฉยๆมันจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เราเบื่อการกระทำที่เราเคยทำมาแบบเก่าๆเป็นความสุขที่เกิดจากตัณหาเกิดจากอุปทานแล้วทยสุดกลายเป็นทุกข์ เกิดจากความไม่รู้แล้วกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นปัญหาเป็นความสงสัยลังเลแล้วก็ไม่รู้สับสนพอมารู้สึกตัวมีศีลขึ้นมามนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะศีลไม่ได้เป็นศีลเฉยๆไม่ได้เป็นความปกติเฉยๆ ม, มีสมาธิมีปัญญามันก็มีผลอีกสมาธิก็มีความสุขระดับต่างๆเรียกว่าฌาน ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เรารู้จักกันดีถ้าเป็นภาษาคือมันมีลักษณะของวิตกวิจารพิธีสุกเอกคตาเนี่เป็นอันที่สองื่องการที่เราตั้งมั่นมีสติอย่างต่อเนื่องจะเป็นสมาธิมีกำลังเราจะได้เห็นมันเป็นที่พักจิตพักใจมันจะไม่ได้ไปพึ่งอมิสุขวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามจะพึ่งนิราสุข สุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรเกิดจากข้างในใจเรามีกายมีใจมันก็มีความสุขแล้วแหละยิ่งมาอยู่ในวิถีของการฝึกกันหัดมีกรอบเราอยู่ในกรอบคือรั้ววัดป่าสุขตงเงี้ยสี่พันกหกสิบเมตรสี่กิโลเศตเศมันล้อมเราไว้เราก็อยู่ทำอะไร ก็ฝึกสติสมาธิให้เกิดปัญญา mm hmm. มันก็มีรูปแบบการวิบาตที่ตรงๆด้วยนะเ mm hmm. ป็นสมาธิชันหนึ่งชัน 2, ช้นสองชัน mm ้นสามชั้นสี่มไปด้วยกันเลยสติสมาธิาธปัญญา้ mm hmm. ายสงปัญญาก็มากมายแล้วเกินท mm hmm. ้ายสมจะได้เห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้อง มันต้องผ่านกระบวนการอย่างนั้นมันทําทานด้วยปัญญามีศีลโดยปัญญาเจริญจิตให้เป็นกุศลจิตตาภาวนาให้เป็นปัญญาลึกซึ้งลงไปเห็นปัจัยลักลิ่ปรากฏขึ้นมาแล้วหนาสาอย่างอาการของกายอาการของจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอาการขางหน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัตถุกรรมคุณ ภายในภายนอกกระทบออกไปมันก็พุ่งออกไปเป็นโลกภายในโลกภายนอกโลกภายในเป็นโลกของโลกกุศลโลกภายนอกโลกของโลกกิยะรวงสมมุติบัญญัติต่างๆเราก็จะได้เห็นภาษาต่างๆที่มันกล้องอยู่ในหัวกะโหลของเราคิดเป็นสุขคิดเป็นทุกข์ต่างๆมันจะไม่ได้เห็นได้ยังไงเมื่อเรากลับมาดูมันตลอดไปเรื่อยเวลา เราตาในมันก็เปิดลืมหูรุมตาขึ้นมาว่ต้องเห็นเห็นตัวเราเองมันจะไม่ได้เห็นไปนอกตัวแล้วที่ตรงนั้นดีต้นไม้ตรงนั้นสวยมันกของไม่ใช่ เ, เรื่องเหตุปัจจัยที่ไหนมันก็ไม่เดียวที่ไกลที่ใจของเรามันเป็นที่ที่เพาะแล้วก็มรรคผลที่ผ่านปรากฏเกิดขึ้นมาจริงๆ รู้สึกตัวก็เป็นมรรครู้สึกตัวก็เป็นผลรู้สึกตัวมันก็รู้มันก็ไม่ได้หลงไม่ได้หลงก็เป็นผลรู้สึกตัวก็เป็นเหตุถ้าหลงเป็นเหตุความไม่รู้มก็เป็นผลมันก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลก็อยู่ขนาดนั้นเลยมันก็เป็นในความคิดมันก็เรู้สึกที่กาย มารู้อยู่ที่กายมันได้เข้าไปในความคิดมารู้อยู่กับการคิดท้ายสุดมันก็จะดูเป็นทารู้อยู่ที่กายท้ายสุดก็จะดูเป็นพอดูกายกต้องเห็นจิตรู้สึกตัวที่กายมันต้องรู้สึกที่จิตจิตปกติอยู่มันจะไม่รู้สึกได้ไงเดิมทีมบวกบวกลบลบมันก็สัมผัสตรตงๆลงไปขณะปฏิบัติกัน จะในรูปแบบจะนอกรูปแบบเราทำให้เป็นกันแล้วกันมันจะเป็นเรื่องที่เราใช้เวลาใช้กายใช้ใจเกิดประโยชน์สูงสุดใช้ใกายใช้ใจเป็นพวงแพรภายภายถ่อคำ้ำให้มตรงสู่ฝั่งมันก็เป็นแพรได้จริงๆจนเกิดมงคลสาสดที่เมื่อกี้เราสวดกัน เกี่ยวข้องทางกายเกี่ยวาาข้องทางวิาเกี่ยวข้องทางจิตใจเกิดมังคละมงคลขึ้นมาเป็นมงคลที่เกิดจากการทำหน้าที่แล้วก็ตรงแล้วก็ถูกต้องมีความงดงามตามกรอบตามกฎตามระเบียบของวินยัยของธรรมะของนิติ น, นัยของพุทธิ น, นัยของวัฒธรรมจาริตรเพณีของบนสิบของ14ต่าง ก็จะมีมันอยู่จนกลายเป็นอะไรที่สังคมเขยอมรับต่างๆมากมายก็ไม่ได้หมายถึงว่าถูกไม่ได้หมายถึงว่าผิดเอาความโกรธไปใช้การอย่างมีสติมีกฎกติกามารยาทก็เป็นเกมกีฬาขึ้นมาชกมวยมวยป้าบหมดนะี่ความรุ่โหดอย่างนี้นถูกต้องตามกฎหมายแต่จะตีกันงก็ฟันดาบกระบีก่กระบอง จนมีลักษณะของการทหารนะค่าควรยังถูกต้องตามกฎหมาย น, นั้นเป็นแค่สมมติบัญญัติเราก็ได้เห็นสังคมยอมรับกันตกลงร่วมกันหรือว่าเห็นว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติฟ้าผ่าคนตายก็ไม่ผิดน้ำท่วมคนตายก็ไม่ผิดลมพัดคนตายก็ไม่ผิดมัเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรม ร, งธรมดาธรรมดา แต่เปียนแค่ว่าถ้าเกิดสมมัติบัญญัติในใจคนขึ้นมาคนเดียวเปลียนตัวเองคนเดียวเปลียนผู้อื่นมันก็ผิดสังคมเกิดควา ม, มวุ่นวายขึ้นมาในเรียอว่าศีน <Evet. S 1> ก็มีกรอบมีข้อกาหนดต่างๆเป็นสมบัติบัญญัติที่เราต้องตกลงร่วมกันชัดๆเป็นความรู้สึกตัวเป็นทั้งทานเป็นทั้งศีลเป็นสมาธิเป็นทั้งปัญญาท้ายสอเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นบริสุทธ์ เป็นธรรมชาติธรรมดาเดิมๆที่มันมีอยู่ตลอดเวลาหานันซ้ายแลกว่ากระพริบตาหายใจจะนั่งจะขยับซ้ายขยับขวาขยับไม้ขยับมือมันก็กลายเป็นความรู้สึกตัวได้ถ้าเราดูเป็นฝึกจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติตรงนั้นแหละชีวิตจะเป็นความผาสุกที่เดียวไม่ใช่สุขเผาสุขฉีด้วย เห็นความปกติสุขธรรมดาธรรมดาเฉยๆเตื่นรู้มารู้ตื่นเบิกบานได้ตรงนี้มเป็นที่หลบภัยของเราจริงๆภัยวัฏสงสารหลบอยู่ตรงนี้เลยภัยที่เกิดจากการคิดการปรุงการแต่งเป็นตัวตัญหาท้ายสุดก็ถอนรากถอนโคนเลยคือตัวอวิชา ลาควรอยู่ที่ตัวไม่รู้ตัวหลงตัวเนี้เราก็เลยมาฝึกมาหารู้มากกว่าหลงหรือหลงมากกว่ารู้วินาทีหนึ่งรู้ครัง้งหนึ่งวินาทีหนึ่งรู้ครัง้งหนึงเจตนาเคลื่อนลงไปเจตนาธรรมมันเป็นกรรมฐานกรรมฐานต้องเจตนาทําไมเจตนายังไม่เป็นกรรมฐานหรอกแต่ท้ายสุดจะเป็นสมถกรรมฐานลวยปรัสนากรรมฐานขึ้นอยู่กับเรา วางจิตวางใจยังไงถ้าเพ่งจ้องจียึดก็เป็นสมะถะกรรมฐา น, านเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลมันก็จะเป็นระดับขั้นตอนของมันแต่ถ้าเป็นระดับของวิปัสสนาญาณแล้วนะตรงนี้มันจะเกิดอิสรภาพมันจะแจ่มอยู่ข้างในนั่นแนะละลมปองเบาอยู่สว่างสวั ย, ยตื่นหายสงสัยไปเลย อะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นความคิดอะไรเป็นความรู้สึกอะไรเป็นสติอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาอะไรเป็นศีลอะไรที่มันเป็นตัวทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ก้าวล่วงได้ยังไงมันจะไม่มีคำถามแลวนะมันจะมีอ้ออเหรือจ้าอันเดียวกัน อ๋อก็พูดอยู่ตรงนี้นะอ๋อก็รู้แล้วก็พูดอยู่ตรงนี้อ๋อเข้าใจเข้าใจอันเดียวกันเหรออ๋อเหอรอคำพูดเรานี้ไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่ตรงไหนก็ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเป็นความรู้สึกตัว ไม่ได้มีการขัดแย้งเพราะว่ามีพบภูมิอยู่เวลาปฏิบัติไม่ต้องเห็นละพบภูมิขัดแย้งทั้งหลายเป็นลักษณะของภูมิต่ําเป็นลักษณะของเดชานเปิดสนันนรกอสุลกายใครจะไปก็ไปแต่เรามุ่งความจเจริญความก้าวหน้าเห็นทางที่มาออกจากความเสื่อมออกจากทุกข์เราก็ต้องฝืนแหละ ถึงแรงดุลจะมีอยู่แล้วก็ฝืนแล้วถึงเชื้อจะมีอยู่แล้วก็ไม่ให้เชื้อไม่เติมเชื้อมันก็จบเป็นเหมือนกันลักษณะของความคิดที่เราไม่ให้เชื้อมันเนะี่ยมันก็จบเป็นต่างคนต่างอยู่ได้ความเป็นปกติี้ยมันก็ถูกเลือกความรู้สึกตัวเงี้ย กายเคลื่อนไหวใจรู้แล้วถูกเลือกพอรู้แล้วเป็นสิ่งที่พึ่งได้จริงๆมีกายเราพึ่งกายเราได้จริงๆมีจิตใจเราพึ่งจิตใจเราได้จริงมันพึ่งได้หยิบ ม, มาใช้ใช้กายกเกิดคุณค่าใช้ใจกเกิดคุณค่าถ้ากายใช้เราก็ค่าเราถ้าใจใช้เราก็ค่าคุณทันทีมันจะเกิดคุณค่ามันก็ค่าคุณ ชาวตั้งเราก็เห็นอยู่แล้วนะหลายคนไม่ฆ่าตัวเองก็ฆ่าคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองก็เบียดเบียนเพื่อนเพราะว่าไม่มีความรู้สึกตัวเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ช่วยกันเขาโกรธเราไม่โกรธเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายเขาสับสนเราไม่สับสนเขานินทาเราเราก็ฟังเขาก็เกิดประโยชน์อยู่ถ้าสารเสรืเส่อ เ, เราเราก็ฟังเขามีลาบเสืม่มลาบมียอดเสื่อมยอดมีสุขมีทุกข์ ภาวะผู้ดูมันจังเป็นความรู้สึกตัวจากอยากไปหาละเอียดที่เราเพิ่งได้ได้คาตอบมันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยปฏิบัติธรรมมีการสัมผัสลงไปมันมีที่อยู่มันก็เลือกมันเลือกของมันเองแหละทุกครั้งที่มันรู้สึกตัวไม่ทุกทุกครั้งที่ปกติไม่ทุกทุกครั้งที่มันรู้สึกซื่อมีความฉลาดอยู่ไม่ทุกมันก็เกี่ยวข้องถูกต้อง เพราะนั้นสติปัฏฐานสนี่เมื่อราฝึกดูกายก็ต้องเห็นเวทนาเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเมลาดูกายไปดูกายมาเราก็เห็นจิตมันอยู่กับกายด้วยอาการของจิตจลิตจิตจิตต่างๆว่าไปวูบว่าแพนาตาหูจมลิน้นกายสมองเปอาการที่มันรับใช้อยู่ตลอดเราก็รู้เท่ารู้ทันจิตเคลื่อนไหว บอกเห็นการเคลื่อนไหวเป็นความรู้สึกตัวนะไม่ได้เข้าไปตีความเป็นสมมุติพอใจไม่พอใจสุขทุกข์อยู่เหนือไปอีกเห็นเฉยๆเรียกว่าอุเบกขาเป็นอุบาอุเบกขาที่มันไม่ใช่เป็นวิบากกรรมมันเป็นอุเบกขาที่พาพ้นวิบากพ้นกรรมทั้งปวงที่เรียกว่ากรรมาฐานะรู้ซื่อๆนะหลวงปู่เทียนท่านพูดเอาไว้ กายกันไหวใจรู้แล้วก็รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แบบจืดๆไม่ใช่รู้แบบพอ อ, อกพอใจรู้แบบไม่พอไม่พอใจเอ๊ะอะเอ๊ะอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตัวนี้ชอบจังประคองไว้ตัวนี้ไม่ชไม่คอดไม่ชอบเลยอันนี้ไม่รู้เฉยๆรู้เฉยๆก็มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วไป เรากลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่วินาทีใหม่ปัจจุบันขณะใหม่จะรู้ลมหายใจก็ได้ท้องพองยุบก็ได้ถ้ารู้เป็นนะถ้ารู้ไม่เป็นนะฝึกก่อนรู้กายที่มันเคลื่อนไหวเจตนากำหนดกรรมฐานนะนะท้ายสุดมันก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั่วสะ่างกายแต่หัวเจรต์เท้ารู้ตื่นก็จะเป็นวิปัสสนาขึ้นมายิ่งรู้ทันความคิดเห็นความคิดยิ่งชัดเจนมาก มันเป็นกรอบเป็นแกนชีวิตเป็นตัวรับรองพัฒนาการรู้จิตในรายละเอียดลงเวลาไปคิดเวล า, าปรงุงเวล า, าเกิดอารมณ์ขึ้นมาแตัวว่าใหม่ๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเท่า น, นั้นเองหัดใหม่ๆกลับมาหาความรู้สึกสัมผัสที่ฐานกายจนเห็นกายเป็นรูปธรรมก่อนเห็นรูปเป็นนามก่อน ในอย่างนี้จิตคิดมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามรูปพอมเริ่มเห็นสองตัวสติมันก็เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาก็จิตปกติมัาก็เป็นคนระแดนกันแดนวิมุตย์นะแต่เพราะนั้นฝึกสติมันมีศียนสียก็พาให้เราเบื่อหน่ายคลายจังเกิดนิพพิทาเกิดวิลาค้าเกิดไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปุถุชนก็เป็นอริยะขึ้นมาเราเทียมกันที่สุดก็คือมันเป็นวิมุติด้วย ทุกครั้งที่รู้สึกหลุดพ้นจากอารมณ์ที่พาให้เราตกต่ําอารมณ์ที่เราไม่อยากจะอยู่กับมันเลยอ่ะแต่ว่าเวาลาปฏิบัติทำแสดงออกมาทีดีนะอารมณ์ที่ไม่อยากมันก็ไม่ยามันเกิดขึ้นมาไม่อยากอยู่กับมันแต่ปรากฏขึ้นมาเนี้ไม่ห้ามมันปรากฏขึ้นมาแสดงเป็นจอ ท, ที่เราจะต้องเฉลยให้ถูกผ่านให้ได้ อารมณ์ที่มันเกิดเช่นหนักๆขี้เกียจเบื่อๆเซ็งๆทื่อๆเกิดความไม่พอใจขึ้นมเกิดความโกรธปฏิคะ เ, เกิดพยาบาทกรับรู้เดี๋ยวมันก็หายไปตามกฎของพระไตรลักษณ์มาทางไหนก็จะไปทางนั้นบางทีก็ไม่ต้องไาทำอะไรหรอกเวลาผ่านไปมันก็หายไปเองไม่ต้องเหนื่อย ถ้าจะไปคิดว่าเออไม่ชอบไม่พอใจมันก็กลายเป็นทุกซ้อนทุกอ่ะนะอ่านแรงก็ทุกอยู่แล้วความทุก็เป็นความทุกอีกอ่านหึงก็ไม่ฉลาดแต่ว่าใหม่ๆก็ไม่เป็นไรจะเจอแล้วบางทีเอาทุ่มเป็นทุกแต่ท้ายสุดนคือมันก็เป็นครูที่ดีทําให้เราเห็นร่องรอยที่มันดับเบิลลงไปที่มันซ้อนซอนลงไปในคนนี้ถ้าเราไม่รู้สึกที่ฐานกายมันก็จะซ้อนเข้าไปยิ่งใหญ่มาก พันตูนวเนียยิงคิดยิงดินยิงรัฐถ้าท้ายสุดพอมันขายเงินขายปมถูกแกะออกมาได้ขี้คลายออกมาได้มันก็ในสัมผัสถึงความแตกต่างของพื้นที่ภายในใจิตใจเราระหว่างปกติมผ่อนคลายสบายมันว่างเกิดการไปว่างแต่พอมันไม่ปกติขึ้นมาเนี่ยมันหนัก แล้จะเลือกอยู่กับพื้นที่ตรงไหนมันก็จะเลือกเป็นขึ้นมาในภายหลังตรงนี้มันจะเกิดพัฒนาการได้แล้วก็มองแต่แง่ดีกันแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันได้ประสบการณ์ได้บทเรียนพอมันได้คําตอบขึ้นมามันก็ผ่านแล้วก็ผ่านแล้วผ่านอีกผ่านแล้วผ่านอีกแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์จนกระทั่งมันชํานาญเกิดการคล่องตัวเกิดการ ผ่านอย่างว่องไวจนเป็นไหวพิปฏิพานขึ้นมาเห็นตัวเราเห็นอารมณ์ของตัวเราแล้วก็ผ่านได้ผ่านได้อันนี้แหละมันจะเป็นตัวปัญญามันเป็นตัวปัญญาตัวปัญญาก็จะเป็นระนาของความรู้ที่มันรู้แล้วก็รู้ถูกมันมันรู้มันรู้ถูกมันก็จะเป็นข้อมูลละ ต่อไปในภายภาคหน้ามันก็ไม่ต้องกลับมาเรียนบทเรียนเกา่าๆมันก็จะได้ข้อสรุปมันเลยมันก็เป็นข้ามันอยู่เช่นนั้นแหละมันก็เป็นเช่นนั้นเองเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไปอย่างที่มันเป็นอยู่เป็นกฎของธรรมาชาติทุกคนก็เลยต้องดูแลตัวเราเองตรงมาดูเห็นในตัวเองเห็นธรรมาชาติตามความเป็นจริง ที่กำลังปรากฏแต่ละขนนะนะตรงนี้แหละมันจะเกิดมงคลจริงๆแล้วล่ะรู้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเราก็ไปทุกเมื่อเราไปทุกก็ต้องบอกคนอื่ น, นพูดไปก็พูดตรงๆไม่ได้เพง่งเอาอามิตรลาภสกาละต่างๆก็รู้อยูมก็เป็นแค่เปลือกเป็นแค่กิ่งแต่รพุ่งมุ่งตรงตร ง, ตรงวิมุตติพูดแล้วมันได้แล้วนะของ ที่เกิดกาดจากการพูดให้ทำมาเป็นทานนะยิ่งใหญ่นความบริสุทธิ์ด้วยได้พดูได้ทบทวนในตัวคนอื่นได้เห็นเป็นร่องรอยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้น ม, มันก็ไปทางเดียวกันทางพ้นโุกนเนือเกิดเนื้อแก่นเกนเื้อเจ็บเนื้อตายอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละก็เป็นพัมอะไรท่องโลกได้อยู่กับโลกโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสีย อยู่กับสุขก็ไม่ต้องติดสุขอยู่กับทุกข์ก็ไม่ต้องจมทุกข์มันจะเป็นลักาณะของชีวิตที่หาได้ยากการเกิดเป็นมนุษย์ได้เจอวัตถุนากันได้ไปฏิบธรรมได้จเจริญสติปัฏฐานมีผลของสติปัฏฐานแล้วช่วยเหลือกันทําให้ดูอยู่ให้เห็นยินให้สัมผัสกันตัวใครตัวเราะนะก็พูดมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็อาศัยบรรยากาศของกิรยามิตรนี่แหละ ก็แบ่งปันกันเราก็จะได้เหมือนกับว่าอบอุ่นมีความชัดเจนในการที่จะใช้ชีวิตที่วัดป่าโ ต, โตกันก็ได้อาศัยกายอาศัยใจอาศัยรื่องนะของสภายยะต่างๆวิธีปฏิบัติครูบาอาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะเราก็น้อมลงมาทำกันจริงๆหรือ่อกรรมฐานเพื่อที่จะได้เข้าถึงผลกันจริงๆก็คือ เรียว่าวมุตถ์หลุดพ้นนะนีอันนี้จะเป็นสาระตัวปัญญาแต่ท้ายสุดก็คือเราก็มาได้มาติดมายึดอะไรกันในโลกนี้มันก็มีหลายสำนักแล้วก็หลายรูปแบบเราก็พร้อมที่จะรับฟังกันให้ทุกคนได้แสดงแล้วก็อันไหนที่เหมาะกับเราเราก็น้อมเข้ามาใส่ตนถือว่าไม่ถูกไม่ผิดถือว่าเราพร้อมที่จะรับรู้รับฟัง อันนี้ก็จะเป็นวิสัยของบัณฑิตไม่ได้รับไม่ได้ปฏิเสธก็ขอให้การไปหิัติดีของเราทั้งหลายนั้นแล้วก็การประพฤติพรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเดินไปติดทางที่พ้นทุกอยู่เหนือความทุกข์มีแต่ความสุขเสมสารโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนทั้นเทิน